อารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายกับอารมณ์ดีจะเสมอต้นเสมอปลาจะไม่รับอารมณ์ร้ายและไม่ลบรับอารมณ์ดีมางวันจิใจให้มันเป็นทุกตลอดไปโมจีจําได้เวรอไหมถ้าท่านไปเชี่ยรับไอ้นอกบ้านมาเนี่ยรับอารมณ์อารมณ์ร้ายนี่ก็รับลมณดีเข้ามาให้ร้องเพล ง, งในครับนี่แคบอย่ไปรับบาบาบาบามาแล้วท่านจะไปปลาถกหรือจะไป พูด TV, ทีวีท่านจะไม่เกิดประโยชน์แต่จะเอาลมที่ติดทางมาพูดในทีวีกาจจะเสียหายชัดเจนเอารมนะ ล, ลมดีปล่อยใจว่างอยู่รู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้หนออารมณ์ร้ายกลัดดีอารมณ์ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาฮัลโหลฮัลโหลนะ พระเคนไม่ที่จะอ่านเท่เออบอกตู้ได้ใช่เป็นตนตัวเป็นหนึ่งเมื่อปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนัะปวดหนอยิ่งปวดนักเ น, นี่ยนั่งถ้าเวลาพอ้องหนอยุบหนออยู่ให้ไม่ได้จริงถ้าเปิปวดขึ้นมาหยุดเลยหยุดพอ้องหนอยุบหนออย่าไปกำหนดตอไม่ได้ ย่าปลอยให้เวทนาพ่าแต่ไม่ง่้ยก็คำรวจปวดเนอปวดหนอตายให้มันตายตายมานตายถ้าสมาธิเอาเต็มที่ในปัญญาปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปปวดโดยเวทนาบัง ค, คับไม่ได้เวทนานี่บังคับไม่ได้มันเกิดโดยอัตโนมัตแล้วมันก็ต้องหายไปโดยอัตโนมัติเป็นอนัตตามีอณิจจังทุกขังอนัาตามันก็หายไปเกิดเคยตั้งอยู่แบบไป จิตก็ไม่เคยเป็นอุปาทานไหนมาจิตไม่เป็นอุปาทานมันจะโวลอหรือไม่แต่เรามันตีจะโผล่หรืไมจะปวดไหมไม่เป็นกวนปวดหนอเนี่ยจะปวดหนักปวดหนอยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักเพราะอะไศึกษาหาความรู้ของจริงเป็ปวดหนอปวดหนอเป็นอะไรเป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสสนาปวดหนอเป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสสนาฮห้ เป็นสมถะหัวย่างหนอ้าอย่างหนอเป็นรเป็นไรเป็นสมถะเสียงหนอเป็นไรเป็นสมถะโดยขึ้นตังอยู่นับไปเห็นของจริงก็เลยปวดหนอเนี่เป็นสมถะต้องศึกษาสมถะแล้วว่าอะไรสมรถะแล้วว่าต้องศึกษาหาความรู้ความรู้จริงเป็นอะไร ได้โดยเคลื่อนตังอยู่ดาปลรู้จริงจะเปวิปัสนาวิปัสนาคืออะไรอ น, นจางทุกขงังเนะครับตรลกษณโดยเคลื่อนตังอยู่ดาปไายึงจะเปวิปัสนาเข้าใจนี้ไมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดสอบสนเนี่ยอั น, นี่กับสมาธนี่วิปัสนาเคลือกอับตาทนี้ละจาไหวดหนอนี่เป็นสมถธสมาะแปลว่าอะไรอย่าไปแจลแบบวัตถุเนี่ยแปลว่า กล้องศึกษาสแสวงหาของจริงแต่ววานี้ถูกเวลาต้องตอกแปลว่ากลองแสวงหาของจริงในตัวเองเกิดเครื่องต่างดูดับไปจิตก็ไม่วงสงา่าไม่ไปยึดมันจะปวดไหมมายึดมันจะปว ด, ปวดไหมนะนานตรงนี้เป็นของจริงอย่าไปยึดเลยมั้ยลองให้ก๊กลองให้ก๊อก ตาให้ตาเดี๋ยวคืนนี้ไปกำหนดปวดหนอปวดหนอตายมาตายเดินจงกรมแม่งหนักเดี๋ยวจะหายสิงถิ่ถ้าหายอยากจะพบของจริงอ๋อของจริงนี่คืออนนี้กลงทุกขังหน้ากาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแลยพวดเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจึงเป็นวิปัสสนาไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งก่อนเดินเท่าพันเดินหชั่วโมงนั่งหชั่วโมง ถูกนะต้องเดินก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปนั่งก่อนแล้วไปเดินเนาะหมายว่าไงนะไม่ดังตา้ตายต้องคนเดี๋ยวหายเลยนะแต่หายไม่เป็นอีกปวดนี่ไปโลกอะไรฮะเป็นฟุตบอลตายให้มันตายเดี๋ยวจะเป็นตะกรันเนาะ หว่าการเดี๋ยวก็กระดูกงอไม่เป็นไรปวดท่านรู้ไปดนอปวดนอเดินมะเดินมเดินตรงรเดินหนึ่งชั่วโมงได้ยังต้องต่อินสองเลยเดินสองนั่งสองตายให้มันตายไม่ได้ต้องให้ดเท่ากันต้อง่ให้เท่ากันตายให้มันตายถใจหนอ ต้ได้พบของดนอย่ากของฟรองกลับไปเยอะแล้วกลับไปจะชื่นใจว่าโอ้โหคูดไดมม้ของดีเยอะของดีเป็นอะไความดีเป็นอะไร่าราชการเป็นสัตูชีิตความดีเป็นศัตูมันทิงทํายากความทั่วเป็นเม็ด เพื่อที่อย่าเถียงเลยใช่ไหมทไมเป็นศัตรูเป็นศัตรู ก, รก็ใจแล้วว่าอะไรแปล ว, ว่าความดีศัตรูคือหอลักศัตรูคือหลักศัตรูแปลอุปสรรค ต, ตอบให้มันถูกเลยใช่ไหมศัตรูคือภาษาของอ้วเองเป็นอุปสรรค เล่มสามตลอดนะเล่มสามตอบความดีต้องลงทุนควลำบากนะความชั่วอชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการกาลังชั่วเลยไม่รู้ตัวชั่วไม่รู้กลัวเลยเนะข้าใจคานี้ไหมต้องตอบให้พลังฟังว่าความดีคือสติชีวิตเป็นข้อคิดในวันนี้ ความใจตามอางมเนีย่ยตามใจอารมณ์นี่หรือขืนอมขมกลืนอยากลลายเป็นมา้าแหดข้อท้าตอกต่หัวหายมาล้อมคอมันจะถูกต้องประการใดเร็บทำดิ้วกระจายไหเนี่ยเพราะฉะนั้นทางมรรตจะมาความดีเปสกุลชีว ความชั่วนสบายมากเลยสบายมากเลยไหลไปเองเลยไหลไปตามสาธานตามมันนะลำแข็งตามใจตัวเหรอมติกรบวรัตตามใจตัวคือคนชั่วเพราะงั้นความดีจะต้องไปสูงชีวิตดับนี้ไม่อยากให้ทำเลยเลย ความดีเป็นอุปสรรคมาไม่มีบารมีไม่เกิดกระเสริฐไม่ได้นี่แหละตอบอย่างนี้แล้วสมุทรีหลังไปถ้าไปพูดแล้วกับทางโต ว, วาทีก้องชนะเนี่ยถ้าตูของคุณเนี่คืออุปสรรคใช่หรือมความทั่วท้าสายมานี่นั่งเนี่ยมารไม่ต้องหาประจน มันต้องมากระทิบบอกเลือกเค้กเลือกเค้กเลือกเค้กมาทองมาทำไมโอ้โหมาจะค้องแกนมาทําไมอยู่ที่ขอนแกนทําไมเดี๋ยวก็ได้นอนเดี๋ยวก็โอ้โหสบายมาทําไมเดี๋ยวมันจะพูดอยู่ที่บางกูอยากจะไปเชื่อบ้างคนมาแชรเชื้อทานิพาอย่างอารมณ์ลมสมบัตสวัสดี ความดีใส่จ้ยากมาทำยากมาตึ้ง เ, เต้นศตรูนี่้แต่แล้วผ่านศตูนี่ไปยา้มาล้ายหมดไปเหมือนผ่านเขาวังกดไอสูเขาคัจจามะแห่งป่ปาหิมพานเวชนดอนจอมจากจชวีก่าจะเสด็จสีกษัตริยทิ้งอัชรสองหมดอุ้มพระคาลีกัน เดินทางด้วยธูรัะธุเรียนก็จะถึงคันโดโกดีที่เขาคันธมาต้องผ่านเขาบังกบคตเลื้ยเลืคตตลอดเลยการนี่แหละความดีมันต้องคตรลำบากเรื่อเกินหลงทางไปในความอะไรจะเราป่าจากกลินเจงเดวย ม, มีระมิด ต, ต้นมัครีผลนะห้ามไอ้ไอ้พวกเหลือถือชีพายไอ้คนเสกกระโปรมาปล้ำนางมาัตสึได้ใจไหม ความดีะมันเป็นโคความชั่วมันกลงชอบไหลไปสู่ถนนมา้าขมันขาดของดีมันจะขคดหลงเรื่องในป่าเขาเรียกเขาบงกอคุณไปสนอนองกว่าจะผ่านเขาบงกอไปได้ถึงเขาคาทมากว่าจะไปบาาปําเพ็ญพจน์ดาบทแสนจะยานมีแต่ความดีอย่างเป็นศัตรูชีวิตลำบากไหม ให้ช่างก็จยหนาเป็นทานไปทำให้ประชาชนช า, นชายกรุงศนีอยุนยาเทรพ ร, ระเจ้าเวชิอนทาไมเนรแ ท, รทราารรสพระวชินดอนสาเด็จมาผลไม่ได้จำไหมใครเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องพ ร, าาว ร, ระวชินอนขาไม่เห็นพรามแต่ชุกชกเลยทำอะไรชุกชกพระเวชินดอนสาเร็จไม่ได้จำม เมีแต่พระเอเกเอเอทั้งหมดเล่นไม่ได้มีแต่ตัวพาเล่นไม่ได้ต้องมีทั้งคนดีคนคดรลารถทัะในตัวเองเนี่ยมีทั้งพระเอกนั้งมีทั้งตัวอันตราพาบางครั้งมันก็เป็นอันตะพาบางครั้งมันก็พระเอก อยู่ในตัวคนเดียวกันให้เลือกวเราจะค้นพบในเรื่องการานงกรรมาฐานเหงาเดินโดงก็อยู่ในกรรมาฐานโศกเศร้าเสียใจย้องโหยร้องห้งหก็อีเหงาเดินโด่งดูในกรรมาฐานทั้งหมดเพลงดนตีเด็ถือตะเกายเกิดจากทุกระชังแดงไม้สี ก, กันไปเพลงชาทิกาลถึงจะเอาเอ า, เอาไม้ไผ่มาผ่าไปลูกกันหน้าใช้ผู้นั้นหายใบยอต ง, ตงติ้งติงก็เพงติ้งก็เพลงติงกเพลง เพลงสาธุการอนุโมทนาที่พระวชนดรสําำเ็จมากศิษย์แม่จะทานสองกุ ม, มารตายให้แกตาคูสุคโคเพลงสาธุการก็เกิดขึ้นเลยผัยไทยชูแรงล่าเป็นอนุโมทนาสาธุการเรียวกับเพลงสาธุการมาขึ้นไหมผัดไทยเมื่อเนี่ยเวลาหน้ากรราฐานร้องโฮมร้องห้าที่ถึงแฟนแน่นหน้าอกพกงรก า, าบบรผีผ้าเบล์เพลงขยอยเฉล เพลงพยาโศกทันทีเนี้ก็เพลงโอดทันทีลวมาซีต้อโอดเพราะลูกลกห่าง อ, อกแม่ไปเพราะพระเวชนดรยกให้ตาทีเท่าทูทกไปเข้าใจไหมแต่จ ะ, จะตัดใจได้มามนา น, นเห็นยาเส็ติมากึงเข้าใจไหมแมายังให้สลาให้ได้ เราเว้นส้นนอนเลยยังพระละมัตยีให้กระคนอื่นได้เป็นทานน้อเด็กน้งพู้หญิอยากแต่ทำไมพวกผู้หญิงเราพระละพระละสวา ม, มีให้เป็นทานน้องผูไดานะได้ไหมพละสาวสามีให้เป็นทานมัางได้ไห ม, ไมนันกะ่อนนะอะไรเนะไม่เดียวหวัง อ่าพูดตาใจใจไม่ยอมละตาผู้หญิงอะไรเนี่ยถ้าน้ารักตัดสองข้อไปน่ารักดีตัดอะไรออกไปก็บน่ารักมากเนะทานนี้ยังไม่รู้เหรอตัดถึงก็หวงไป จ, จะน่ารักมากตัดไม่ได้กยกเลิกพูดเทอกเลิอกอวันนี้ก็หมดเวลาเนี่ยพูดมากี่ชั่วโมงเลย ถช่ทาจะนั่งขาตมาเทศกระดาลองดูก็ให้มันได้เวลาอย่าผัดวันประการพู่งถือศัจาะไว้ถ้าเสียสัจาะแล้วทำแล้วไม่สำเร็จตายให้มันตายไปเลยทยวงดูซิอย่างนะี้ตายขณะนี้จะทำอบให้อย่างงามเลยจะเอาโกดคองให้เลยก็มีขาย ไม่ตายแล้วเกิดเครื่องตัางอยู่ดาบตายเดี๋ยวมันหายหายจริงพอออกจากกรรมฐานเนี่ยไปตั้งสติอารมณ้พักเทียวหายอยู่แต่ที่ไม่หายเพื่อศึกษาให้ทราบความจริงทุกทีคนเราก็ต้เป็นอย่างนี้แหละเกิดได้ก็แฝดต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้คนเราต้องมีปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นธรรมดามะเกย์เนี่ย เรานเนี่ยเราเคยพิกกี่หนเมื่อกีนนี้เน่ยทำไมไม่พิชล่ะทำไมไม่พิชไม่ฆ่านะไม่ใช่โอโหทนโอ้โหถ้าเราพริกไปที่มาก็งอายพวกเราตายอายตายเลย เป็นครูมาอาจารย์อย่าพลิกยอย่าอายพวกนี้นะเรามีใครสงสัยหั้นกล่าเนี่ยนี่มันจะพูดมาตั้งแต่บ่ายที่หนง อะไนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่จะมีการดูมานแต่อยู่ท้าอย่างเนี้ยขวาทับซ้ายนี่ยนี่ขวาใช่ไหมนี่ซ้ายขวายางเหนาะ แล้วก no ็บอกหน้าหรือบอกให้เขารู้แล้วแต่นโยบายทั้งคืนสามีนโยบายอย่างไรมีเราสอนวิธีนี้ให้แล้วสามีนโยบายอย่างไรให้เด็กเข้าใจนัง่ะเท่านั้นเองเข้าใจมขว้าขว้าให้มันเหมือนกันหน่อยได้ไหมใายไปเนี่ยขวามาดชิด ก็บอกขวาย่าหน้อยไม่ใช่ใช้แล้วกลับทั้งนี้กลับทั้งขวาไว้เสมอไปอย่ากลับใช้มันเสียทางเอาอย่างนี้ก่นเลือกหนึ่งเรามาเลือกหนึ่งเวียงโบดเนี่เลือกหนึ่งเลือกสองอย่าเวียงกลับเวียงกลับก็เมนสิไปเมนหนึ่งนี่มาเป็นก้นหอยรู้จักเรื่องหนึ่งไห วนทเทเลทหนึ่งไว้ยาวนซ้ายายาวนออกวนออกก็ไปเมรนอยาาู่าจเ้าใจเรียกหนึ่งเขีย น, นได้นะพัฒนาวะเข้าใจไไ ม, ไม่ต้องกนดว่าขาขับไหโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปทำให้มันวุเ่เไปทำไมล่ะ หลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับหนอหลับหนอไม่ได้สิจงวะอาหักว่าหลับหนอเนี่ยสี่คู่แล้วก็พอทำได้คล่องแล้วให้หลับได้แต่คู่ให้ละหยียดขึ้นไป ให้ช้าให้ให้เล็กเล็ก อ, อนอยแล้วกค่ยงงอย ก, ออออกลับค่อยอะไรมันได้ทั้งนั้นเนาะก็เด็กๆมันก็สี่คู่ไปก่อนที่เด็กมันไม่ค่อ ย, อยลวเดียดพอ ถ้าคนโตไปอย่างนี้แต่แต่เริ่มต้นนี้ไม่ควรจะเหยียดเยินไปนะครับก็ค่อยๆเติมค่อยไปไงครับและเหยียดคู่เหยียดเด็กมันไม่รู้หรอกนี่เราสอนผู้ใหญ่ก็การทั้งขวางไงไม่ใช่ก็สีคู่เนี่ยเด็กนะเด็กนะเอาอย่างนี้ คู้ใหญ่เอาแปดคู่เขยายไป่ะไอเด็กเนี่ยมันไม่เคยจะรู้เรื่องเอาแค่นี้จะแย่อยู่แล้วจะไปเอาละเอียดเนี้ยจิตเจริญผู้มีทามันเรียกเก่ยงเยอะแยะเอาหยาบๆนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะติดตัวหยากแปลว่าอะไรต้นจิตคืออะไรต้นจิตรู้ไหม ตอนเจ็บก็คื อ, คอตัวยา่างอยากหยุดหนออยากหยุดหนอนี่ต้องหุดอยากหยุดหนออยากหยุดหนอหยุบถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ใหญ่เนะียเก็บอารมเ์ิ ล, เลยอย่ากออกมาเดินเล่นไม่จงไปทำงานทั้งหมดก้งมีการต้นติ่นี่อันที่สองต้องคายก่อนถออยากหยุดหนอ อยาหยุดหนออย่าหยุดหนอ อ, หหน อ, อันนี้สองน้ำบอกผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆนี่ยมันมาแค่ชั่วคราวแล้วไปบอกอย่าหยุดหนอเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอยากเนี่ยาใจาทำนี้นะเนี่ยต้องรู้ว่ากาละเท่าควรไม่ควรผู้ใหญ่ข่านไหนแล้วก็เด็กข่านไหนถ้าเด็กเล็กเนี่ยก็เอาหยาบหยาบไปก่อนถ้าอะไรเกียดติเนี่ยมันไม่พอเลยแค่เดินจงกลมให้มันได้กับหนั่งทองยุบให้มันได้เท่านี้อพอลถอะสาหรับเด็ก ขณะเข้าเด็กนี่ไม่เกิดฉลาดขึ้นมาเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วละเอียดขึ้นก็ขอให้เหเอียดมากแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมเนี้ยห้ยเท้าขวามานั่งเหรียมันก็ได้ไม่เป็นไรเลยย่อลงไปมันก็มีปัญหา มันก็ไม่ถือแล้วถ้ายอ่อลงมาเนี่ยมันก็ได้เนีนัน่งยอ่อมาเพราะได้ย่าย่าย่าทั้งบางคนถนัดา น, นัดา น, นัดให้นมนได้จังหวะให้มันได้ปัจจุบันเท่านี้ประจันนะบางคนไม่รู้เรื่องเลยท่าไม่ได้ไหนเข้าใจเราพิจารณาสอบอารมณ์เหมือนกันเรายากลาบากทําไมสอบเขาเลยเนี่ยอยากที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เขาไปแค่ แล้วบางคนติดนมิตรบาร์าบอคอแต่ค่ะว่าสำเร็จโน่นสำเร็จที่มันจะมากกนะ่ะไม่ใช่มั น, นจะเลือกสมาธิทุกขลาวมันไม่ดิบไม่หลักฐานนั่นแหละไม่มีสติอยู่เข้าใจไหมเอาสงขาเลยอิบอิบ สอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันไม่เหมือนกันเราไปนอนที่ไปนอนที่เดียวจะไปกับไปรู้ตืนแล้วไปที่นอนไปที่นอนจะรีบไปไหนนะ่ะจำไว้อย่างหนึ่งคนที่มีคุณธรรมเนะ่ะมิจาติจะขยัน จะไม่นั่งดูนายเลยมันจะออกมาเป็นไหลเป็นไข่หมูจะอดทนต่อสู้กับการงานได้สมัยผู้จัการมีมานานแล้วเส้น ผ, ผ้ากลราบผ้ากราบนี้มีมานานแล้วมันใช่เพิ่งมีนะแต่พระเอาไปชิ้งหมดกลราบไหวผ้ากราบไหวสูงมาก เอามาใช้อันดับสองใช้รับประเคนของสูงรับประเคนญาติโยมเคารพทานของญาติโยมยันทะโกปติวันธนังปูชโกและปะติภูชางภูชาในท่านภูราหูใหญ่ในละการเฉลิมเฉลิมเจริญพรให้เคารพทานของทายกแล้วเอาไปทิ้งหมดแล้วละการคลองผ้า ท่านก็ให้กำนดกรรมฐ า, านถ้าพระไม่ทิ้งน่ะปฏิบัติจะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวไม่มีเรื่องกันแน่นอนขอให้มีกรรมฐ า, านทุกองคน์น้าคัญองค์หนึ่งมีองค์งไม่มีแต่องค์หนึ่งมีกิเลสเนี่ยพระจังหวะทุพันนธ์ฆ่ากันตาย่างนั้งควานทั้เล ย, ย เ, ลเลยพระนุ่มฆ่าพระแก่เลยถูกต้องประการใด ถ้ามีกรรมฐานจะทำได้หรือท่านรั้มูลจริงถ้ามีกรรมฐานจะเป็นพระจะไปเสดจจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้หรือเปล่าเนี่ผ้ากราบเดี๋ยวนี่ไปทิ้งกันหมดแล้วผ้าเข็น อ, อกเหมือนกันบางวัดออกจากโบสถ์ ท, ทิ้งเลยแล้วไม่มีกรรมฐานเลยอยุปชาให้ในโบสถ์แท้ๆกรรมฐานเอาไปทิ้งซะได้ทิ้งวนาโบสถ์ ถ้ามีก็มาถานทุกองนะจะรู้เหตุการณ์ยังไงทำอะไรจะไม่มีเรื่องมีาราวพระเจ้าสอนชัดเจนมากเมื่อสมัยพุ้จการไม่คก็มีเรื่องเพราะพระส่วนมากเป็นพระหารเป็นพระผู้มเฉเร็จโสดาบันอย่างส่มถ้าเดี๋ยวนี้ทำไ ม, มเฉลี่ยโสดะไรล่ละมาก็มาบวชกันหาเรื่อง้ันลาวกันไปจะไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แต่ทำจริงๆอย่างนี้นั่นเอาัน เดีแล้วเนี่ยมัเป็นถุโมงครึ่งนั่งุโมงครึ่งติต่อตายให้มันตายดูสิจะเกิดอะไรขึ้นภา0นเจ็วันเดี๋ยวสอบอารมรู้ไวาคนนี้ได้อะไรล่าอาจารย์ที่สอบพระจะรู้เลยได้ไม่ได้เขารู้โกหกเขาก็รู้โกหกก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มีคติธรรมเลยเกิดประการดับชัดเด วันนี้ก็พอสมควรจะเวลาก่อนนะเราจะปฏิบัติเกี่ยวกับพรุ่งนี้ก็จะมีผลนักเรียนน่าจะมา250สี่คืนห้าวันก็คือห้าวันเราก็พยายามบอกไปทุกโรงเรียนนะอย่างตามก็ต้องห้าวันนี้เจ็ดวันถ้าสามวันไม่ได้เลยเลยจริงๆมามาก็ไม่เต็มวันกลับก็ไม่เต็มวันจะหน้าอะไ ร, รอยู่จะไม่ได้เลยเลย ว่ายืนหนอห้าครั้งได้แล้วกำหนดจิตได้อยู่ที่นี่คือสมะถะกรรมฐานที่ปรัชนากรรมฐานกรรมฐานก็คือตาจ่าปัรยากากรรมฐานอย่างยืนห้ายืนห้าครั้งนี่คือกรรมฐานคำนั้นเกิดมาจากทอหมานดาขอใสรุปใจความว่าอย่างนั้นเถิดไม่มีใครเถียงฝลังยอมรับกรรมฐานคือตาจา่จาบรรยกะกรรมฐาน ม่อาการเมืเกิดท้องวันดาคื อ, อยืนหนห้าครั้งถ้าจิต ก, กับจิต ก, กับสติอยู่ด้วยกันโลดเลยอาจูรี่บอกอยืนหนอหครั้งเห็นตัวหนอนกินเนื้อหลุดหมดแล้วสติมันจะบอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปค่มขืนําเราที่เลเมอนอนอย่างไรระลึกได้หมดนี่ใช่ไหมพลังแค่ห้าวันเขาได้เลยแต่เราทําไมไม่ได้เลย นาเสียดายเวลาที่มีประโยชน์วันนี้เราให้เวลาผู้ท่านทั้งหลายมากพอสมควรทั้งที่เราไม่สบายมากก็ต้องฝากความป่วยไว้ที่สาวกว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปป่วยต่อก็ไมาเห็นมีเรื่องอะไรขอให้ทำได้อย่างสมาธิมีเราตายไปแล้วยี่สิบปีแล้วนะเรารู้ล่วงหน้าหกเดือนเนี่ยเราต้องตายรถทนคอหัก เพราะกรรมที่มาทําไว้ดังที่เก่าเรียกกรรมฐานจานึงในลึกเหตุการณ์ชุดนั้นางกรรมฐานเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตนางกรรมฐานจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาที่เราสร้างกรรมไว้ดังที่เก่าเนียใช้หนีไปได้เนี่ยไปไม่แล้วขาหักเนี่ยขาหักสองท่อนเนี่ยแขนก็หกักคอก็หกักฟ้าก็พา เราก็ใช้นี่ใช่กรรมให้หมดสิ้นไปชาติหน้าเราอนี้จะไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่มีโอกาสที่ดีได้ขอให้ท่านชมีชมันยาข้อนี้ไว้ใจตามทุกควรแก่ฐานะที่เรารู้ลวงนาะไอส้สตีบอกเนี่ยวงจรทบมาแรงมันจะบอกไม่ใช่ไปถามามามดูแหมพระพุทธเจ้าหีสอนยอดยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกคือพระพุทธจา้าพวกเรานี่ แต่พระรุณใหม่ไม่ยอมแล้วความเ ป, เปเลี่ยนแปลงของโลกเขาโลดไปแค่ไหนก็ไม่รู้จเจริญไปแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่เรายังล่าหลังอยู่ะนะปัตติเกิดประโยชน์สุดที่ผลจะประทานได้ขอฝากไว้า ก, การปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ขอฝากไว้เดินโยกกลมอย่างตามหนชั่วโมงนั่งหนึ่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไปให้ถึงสามชั่วโมงให้ไน้สามชั่วโมงเดินสามชั่วโมงให้ไ ด, ด, ไดลองดูที่มันจะเกิด อ, อะไรขึ้นมา มาไย้สอบอรมให้แต่ทรไมได้อย่างนี้จีมีจามนี้เราสอบไม่เป็นมารู้จารอะไรมาสอบสอบตกเลยมันมีข้อสอบขอฝากไว้สุดท้ายนี่ขออนุโมทนาแก่คณะปฏิบัติธรรมที่เราจะเป็นโควาจอนสั่งสอนบุคคลผู้เป็นสิ่งที่ โควาวาจรก็หามาโยคีผู้ปฏิบัติแล้วสร้างความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกว่าโยคีแต่มาจากคําว่าเลอศีชีพลายมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธ ก, กาลและคือโยคีสร้างความดีและภาคเพียรเรี้ยงขุนขวาโยคาวาจรสั่งสอนตัวเองได้จึงเข้าหลักวิธีการที่ชี้แจงจแสดงมาในบัี้ ทุกท่านเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมให้เล็กซึ่งต่อไปและขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพละปาฏิพันธ์นหน้าสารทุมบัตินืกอเกสสิ่งปรนการดาชมความมาุ่งมาผลงาด้วยกันทุกลูกทุกนขอฝากพี่น้องทุกคนอยู่แต่ใครปฏิบัติติดต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นรมนตรีกลับไปต้องทำจะต่อไป ทำไม่เหลืดไหมได้ผลแน่บางคนปฏิบัติแล้วทำไมไม่ได้ผลจะหาวิธีตอบได้ทันทีถ้าทําแล้วไม่ถึงขั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะต้องกลับไปทึงตามเดิมจิตจะไม่ประพัดสอน <c oughs> จะเลี้ยวกว่าเก่าแล้วบางคนก็บอกว่าไปนั่งปฏิบัติน่าจะดี ราเป็นคนเลวกลัวเก่าก็เห็นด้วพวกเราไม่รู้การปฏิบัติเนี่ยทาติดต่อกันไปเนี่ยการวิธีสอบอารมณ์เขาจะสอบทุะคนไม่ให้คนอื่นได้ยินที่เราเคยไปอยู่่ะครัวจรย์เขาจะเรียกสอบอารมณ์ จะถามว่าเดินกำหนดมีจิตออกอกี่ครั้งสองเวลานั่งภาวนากำหนดมีจิตออกอกี่ครั้งคนผู้ปฏิบัติถ้ามีสติดีจะรู้เลยว่าจิตออกอกี่ครั้งเดินออกอกี่ครั้งจิตมันออกไปข้างนอกจิตออกได้อย่างไร จิตออกได้ยอย่างเงีทุกคนตอบไม่ได้เลยจิตออกได้ยังไงถ้าเราสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอสติไม่พอมันจะไม่รู้ว่าจิตออกข้างนั้นมันีเวลาลงชั่วโมวัาเรานั่งจิตออกไม่รู้จะรู้อ่ะโน่นออกไปแล้วแต่ตอนออกไปเนี่ย มันไม่ได้บอกออกตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่รู้เลยว่าจีตมันออกในะตอนพองหรือตอนยุคบางทีเราบอกพองหนอยุบหนอพองหนอยุคหนอออกไปตอนพองตอนยุบไม่ได่สกเก็ต จำไม่เลยไม่เคยฉันเกิดเพราะนั้นขอฝ า, ากผู้ที่เป็นมือกรอไม่รู้หรอกจะรู้ได้ยังไงเช่นนอนท้องหนอยุบหนョเนี่ยเราแพ่งดูที่ท้องจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับเลยเนาะ คลายเป็นเครียดไปเลยเตรงนี้สำคัญบางคนไม่รู้คลายเป็นคนเครียด <c oughs> ต้องผ่อนคลายลงมาถึงจะได้เอามือลงเอมือลงไม่ต้องเอามือลงเวลานอนให้จับว่าหลับตอนพองนิยกุกกลายเป็นเครียดเลยครูที่สอนต้องมีนโะยบายด้วย เช่นรู้ว่าจิตออกอย่างไรเราแนะนํำเขาเราก็ไม่รู้จิตออกอย่างไรออกไปที่ไหนไม่รู้ถ้าเรามีสติดีนะ่ะถึงให้กําหนดว่ารู้หนอทําไมต้องให้กําหนดรู้หนอต้องเข้าสังเกตให้ดีว่าให้ปัจจุบันกําหนดได้ปัจจุบัน ถ้ามันเลยไปซะแล้วทํำยังไงลืมลืมแล้วจะทํำยังไงสมมติว่าจิตมันออกไปหรือว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ได้กาหนดวิธีแก้ทํำยังไงวิธีแก้ทํำยังไงคู่ปฏิบาาัติท้ารูใหม่วิธีแก้เพื่อไม่เหตเฉลยต่อไป ให้กำหนดว่ารู้หนอจำไว้ให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอห้าครั้งถ้าไม่ทำอย่างนี้เผลอเรื่อยเผลอตลอดจำไว้คนเราจะไม่เด็๋เอาปัจจุบันตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจนะจไว้ถ้าเผลอเกิดจากความประมาทเกิดจากความพลาดแล้วมันจะประมาทตลอดไป เลยกลายเป็นคนมากง่ายมากได้ชัดเลยอดีตไม่เอาวนาคตไม่เอาแต่ที่กําหนดปัจจุบันไม่ได้เดีย๋ยฟังให้ดีนะกําหนดปัจจุบันไม่ได้ทํำยังไงมันเลยไป็นแล้วทํำยังไงรัริกรให้กําหนดว่ารู้หนอรู้หนอจนะําไว้เนียถ้าไม่ทาอย่างนี้เผลอตอลอดกลายเป็นคนมากง่ายมากได้เลย จำมาเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเรื่องปฏิบัติต้องเข้าใจกำหนดรูหนอรูหนอเพื่ออะไรอดีตรกรทำไมต้องกำหนดรูหนอเพื่ออะไรเพื่อมาให้ละหมาดต่อไปเข้าใจไ้ยเพื่อมาใหดละหมาดต่อไปถ้าเราไม่กำหนดเป็นยังไง ถ้าไม่เคยชินถ้าไม่ชินชาทําให้เลวเลยตายเป็นคนมักง่ายไปเลยเป็นสีจำะอาตมาถึงได้พูดเสมอเนะี่ยถ้าเดี๋ยวผัดเดียวเดี๋ยวจะให้ห้าแสนนี่เนี่ยไอ้คนที่มักง่ายจะเดียวตลอดนี่ตรงนี้กําหนดลู่หนอใช่ยัยถ้าลู่หนอมีสติดีนะจะไม่มีการผัดเดี๋ยวจำะ ผูปฏิบัติไม่รู้จริงๆตรงนี้เราเป็นครูแนะนําต้องรู้ให้ละเอียดแล้วต้องดูหน้าเขาเป็นด้วยว่าคนนี้ควรจะสอนอยังไงไอาการเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ท่านรัทมุนติถ้าปฏิบัติสมาธิต้องแก้อารมณ์ต้องแก้จริตถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องแก้จริตมีสติอย่างเดียวเท่านี้ จำไม่เลยเดี๋ยวพระอาจารย์นี่ก็สอนบอกต้องแก้จริต จ, จริตชอบอะไรชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้ามีสติตัวเดียวยัดเข้าไปตามนูให้ใจเขาออกหรืออริยบทต่างๆมีสติจะไม่พลาดจะไม่ประมาทจะไม่เลินเล่อและไม่จะจะไม่เผลอเลยตรงนี้ไม่ต้องไปแก้จริตถ้าเพ่งกสินหรือเจริญสมมาเพื่อการศึกษาต้อง ตามจิตที่ชอบขอฝ่าพวกเราเลยจิตที่ชอบคืออะตอบพระคำได้ไหมยกตัวอย่างไอ้ที่ชอบยกตัวอย่างเรียนหนังสือ <c oughs> อาจารย์เป็นสีชอบวิชาอะไรชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานิวัตกรรมชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานี้วัตกรรมตอบนะ เป็นวิชาเอกของเราจำไว้นะอย่าตอบผิดเป็นวิชาเอกของเราที่เราชอบที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยถ้าเราฐมนตรีจำมว้อย่าไปฝืนใจนะเป็นวิชาเอกไม่ได้ถ้าเราชอบสนใจเป็นวิชาเอกดํมมาวันขางหเรา เราเรียนเนี่ยต้องหนึ่งเนี่ยต้องโอ้ต้องเดียวคนอื่นเรียกว่าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปฝืนเรียนเนี่ยเป็นวิชาเอกไม่ได้เรียนก็ด้วยความจําใจใช่ไหมบานอย่างอาจารย์เนี่ยวิชาเอกทางภาษาไทยวิชาเอกทางภาษาอังกฤษเพราะอะไรที่วิชา เ, เราชอบเขาจะอย่างไ้หรือเปล่ายัางยิ่งหรือเปล่าโรเตอร์ ใช่หรือเปล่ายากมากนี่เขาเจ้าไปพูดมาวันใดไม่ดนจะออกทีวีแกทํำยังไงจะเรียนเก่งทํำยังไงจะเรียนฉเฉลี่ยเรียนฉเฉลี่ยแล้วแล้วดีด้วยอย่างไรใช้วิธียังไรต้องไปพูดดีละสองชั่วโมงเต็มเลยหมาวันใไม่ดน แล้วเรียนเก่งแล้วมีความสุขในการเรียนวิธีการทำอย่างไรถึงจะมีความสุขบางคนเรียนเก่งจิตตกต้องไปอยู่ศีสธัญญาเลยระวังในหะ้เรียนเก่งแล้วไม่มีความสุขไม่มีความเสม็จในการเรียนจิตตกนี่แกยังไงจะมีความสุขได้ยังไงหามีความสุขได้ไหมยากไม่ใช่ของเล่นถ้าเรา กำหนดได้ละเอียดนะเราจะรู้ว่าจิตมันขึ้นหลอกจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนจับมันยากมันเป็นลิงยิงอารมณ์ไม่ได้อยู่แก้ไม่ได้เลยเราต้องรู้ว่าอะไรหนอที่ที่ช่วยไม่ได้ <c oughs> ดึงไม่ได้ เอเวลามันเกิดแก้ไม่ได้หนึ่งโลภะขณะเกิดนี่แก้ไม่ได้สองโทสะแก้ไม่ได้ขณะนั้นเห็นใจโมหะมันขึ้นเต็มที่แก้ไม่ได้ขณะนั้นแก้ไม่ได้เลยเวลาลมขึ้นลมขึ้นแก้ไม่ได้ต้อให้ลมลงก่อน บางคนจับไม้พูดตลอดเลยนะพวกบ้าไม้ห้ามไม่ได้แล้วแต่ไปห้ามแล้วโกรธเลยนี่ห้ามไม่ได้นี่พวกนี้ห้ามไม่ได้ทั้งนั้นขอเจริญพรท่านรัฐมนตรีอะไรอีกอย่างหนึง่งที่ห้ามไม่ได้เดืดขาดอะไรโรเตอ ร, รอบห้ามไม่ได้เดืดขาด อธิกรณ์จิตที่จะไปจิตมันจะไปจะห้ามได้เหรอนักก็แฟนไม่ห้ามได้เลยนี่ตรงนี้ไม่มีใครรู้อะจิตที่จะไปเนี่ยคิดหนอจิตมันออกไปห้ามได้ไหมจิตมันออกไปเนี่ยห้ามได้ไหมนั่งเนี่ยนั่งสักสองชั่วโมงเนี่ยจิตออกไปอีกครั้งห้ามได้ไหมไม่ได้ แล้วก็ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดคิดว่าหาว่าสมาธิไม่ดีนางแล้วไม่เป็นสมาธิจิตไม่อยู่ที่ออกไปโน่นออกไปนี่อย่าไปตีความอย่างนี้นจิตจะต้องออกให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้เด็ดขาดจำไหมจิตมันเป็นลิงลองคิดอารมณ์รับรู้อารมณ์กระดาเป็นวานานเหมือนแทบประทึกเสียงห้ามไม่ได้เด็ดขาดจำไม นี่แหละจิตคิดจะไปจิตมันออกห้ามได้ไหมห้ามได้ไหมผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้บางคนมานั่งจะกลับบ้านนั่งไม่เป็นสมาธิจะกลับบ้านอยากกลับยิงออกมากมันจะได้ผลจำไว้ยิงออกมากจะได้ผลวิธีแก้ชนยังไงรติกรตอบ นะจิตมันออกไปหาแฟนจิตมันออกไปหาคนโน้นจิตไปหาคนนี้หนักที่ไหนไปที่นั่นจิตมันพวองภาะวะจิตตกใต้ตรงบนจิตมันตกคิดถึงรัฐมนตีคิดถึงแฟนนัดก็แฟนไว้ผีอยู่ในกลางปา่า รู้เอยู่ที่นี่ครับเลยไปไปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวแล้วก็ทำกับข้าวเลี้ยงอย่างดีแล้วปรุงนี้สายสลัดหน่อยดู้แล้วรูแล้วไปรูแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยจิตมันคิดจะไปห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้ด้วยวิธีปฏิบัติทำอย่างไร ยกตัวอย่างอาตมาเนี่กลัวผีมาใช่ไหก็เป็นเด็กแม่ใช่วันคืนไปไม่ได้ไปไม่ได้แน่นอนลองเดินไปตรงโน้นกลัวผีมืดกลัวความมืดแต่นัดเจ้าแฟนไว้จิตผูกพันเดินผ่านป่าชา้าอย่างไปยะเอาเถียงมาใช่เถียงมาเอาตรงนั้นมาเถียง ไม่เคยกลัวผีความรักผูกพันมากจิตไปได้เลยไม่กลัวสองอะไรสองอะไรพูดดังๆโกรธจัดโกรธจัดนี่ไม่กลัวผีเลยเห็นด้วยเปล่าจางเป็นสีโกรธจัดเนี่ยเหยียบหัว ผ, ผียังไปได้ ไปผูกคอตายยากฉนันแล้วมนตรีฟังไว้เนี่ยกรรมฐ า, านทั้งแต่ทำไมไม่รู้กลัวผียังไงก็ไปผูกพันมีสองอย่างจิตที่ห้ามไม่ได้เลยมีสองอย่างที่หนักๆความรักกับความโกรธความโกรธเนี่ยมีอยู่ท่านผู้ใดเหมือนเอาไฟมาเผาตัวเอง เวลาไม่ใช้ไปไม่ได้รัวผีลัวโจรแต่ผูกพันขึ้นมาหนักหนักจังไว้ถ้าไม่ไปเขาจะไม่รักเราเหยียบหัวผียังไปได้สองรัฐมนตรีโกรธจัดโกรธแฟนไปได้เลยรถที่มันติดเนี่ยยังไชไปได้แรงมาเลยไอความรักมากมีแรงสูง ความโกรธมากมีแรงสูงแล้วก็เตือนแต้มมีแรงสูงเตือนแต้มนียดแรงสูงแบกตู้เย็นยังได้เนยแบกตู้เย็นไหวได้ต้องพูดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะวกเข้าไปว่าจิตแก้อย่างไงเข้าใจไหมเนี่ยอาตมาไปงานกุเทพเมื่อยี่สิบปีพ่าน ไฟมันเกิดไหมเราก็นั่งสวดมนต์ไฟไหม้ถุงติดแค่เราเลยพระต้าองค์เราไปบรรณองค์เดียรแล้วก็นั่งหลับตาสวดเขาว่าไฟไหม้เราแงมาอา้าวพระบัญญเป็หมดเลยอยู่ใจเราองค์เดียรสวดองค์เดียร์แล้วก็ไปไหนก็หมดยามเดินทิ้งไว้เลยพระยามเลยเวลามาก็บอกว่าไม่จะองกลัวพระคุยสบาย อไฟมาไหมตรงเนี้ยหนีเลยรีบไปวัดท่านย่ามก็แมปายลืมแล้วก็พวกคนงานเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยนะตกตะลึงขึ้นมาตกตะลึงขึ้นมาเอาฟ้าย่ามพระลงใส่ใส่ถุงพาผู้หญิงผู้หญิงลวงก็ย่ามไปเสร็จเย่างตื่นเต้เอาย่ามพระลงแล้วเราก็สวดมนต์องเดียว เราสงสัยแล้วบอกชายเอารถออกไปข้างนอกนี่ที่ที่ที่ทนบุรีนี่มันบบยสัะเอารถออกไปถนนเนอกเรารู้แล้วไฟจะไหม้ตรงนี้เน่ยพระมาสวดมนต์เนี่ยโอ้เก่งทั้งนั้นจากองค์นั้นก็จะเจอมงคนี้แต่พรหมนมนต์เก่งพอไฟมาหนีเลยหนีเลยไหมยามเยื่อฉีกหมดเลยจะมาดูเลยเห็นหนอ ไว้ไม่มาทั้งเพราะลมพัดไปทางน้นทำไมดูเป็นไหมเห็นหนอเป็นไหมเข้าใจไหมนี่โค้นตื่นเต้นกับที่คิดผูกพันและโกรธจัดเหมือนกันโกรธจัดนี่มันแ บ, บกเขายี่ได้อที่นายเราต้องปฏิบัติให้ได้โค้นหนึ่ง อยู่หน้าตึกมันกําลังอยู่ห้องน้ําำตมาเห็นขนัดเลยอยู่หน้าบ้านเพราะว่าเขาหนีกันไปหมดเพลนแล้วพระยังไม่มาแล้วนีกว่าเราองค์เดียวฉันสบายมากไฟ ย, ยันไปทางโน้นแล้วรถเราก็ไปอยู่ถนนใหญ่รถดับเพลิงก็เข้ามามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมันกําลังอาบน้านอยู่ห้องน้ำํำเขาบอกไฟมาไฟมา มันก็ออกจากห้องน้ําไม่ได้หนุ่งผ้ามันมีภวะผวาจิตมันปักอยู่ที่ตู้เย็นมันอยู่ข้าวมันใส่ขนมไว้จิตปากอยู่ตรงนั้นมันต้องไปแบกตรงนั้นแต่ว่าจิตตากตรงไห น, นต้องไปชีนานจําไว้นะเข้าใจไหมเนี่ยมันมันอาบนา้ํามันยังไม่ได้กินข้าวใส่โมงกว่านี่เป็นตัวอย่าง จิตมันนึกถึงอะไรต้องไปทวงนั้นก่อนตออกตะลึงนี่ต้องไปเอาเงินก่อนพาไม่นุ่งเลยชุดวันเกิดเลยแล้วก็แบกตู้เย็นออกมาเลยเดินทึงทึงทึงึงไปแล้วบอกหน่มารู้จะคุยอใครแล้วก็ดูเห็นหนอเห็นหนอโปรงอันนี้จังทุกครั้งหนตาคนชุดวันเกิดแบกตู้เย็น เดินเทงๆไปตำรวจสวนมาตำรวจบอกอะไรเนี่ยเทงตู้เย็นลงไปวิงเข้าบ้านไปไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้นุ่งพ้าฟล่ะเนี่ยตกตะลึงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยขาดสติมากจิตพวงอยู่ที่แกนกับขนุนยังไม่ได้กินข้าวต้องรีบไปแบกตู้เย็นห่วงกับข้าว แล้วภายในนี้เขาเลิกงานกันแล้วไปแต่งตัวแบกตู้เย็นไม่ไหวต้องให้คนสี่คนมาหาตู้เย็นไปแต่เวลาแบกคนเดียวแบกไหวแบกไหวออกไปนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมโปรดคิดตรงนี้ดูตื่นเต้นละมา พลาดพลั้งได้ท่านที <c oughs> พระเจ้าบอกให้กำหนดปัจจุบันถ้ามันเลยไปแล้วต้องแก้โดยกำหนดรู้หนอรู้ว่าไม่พลาดรู้ไว้อย่าเพื่อความไม่ประมาทต้องกำหนดรู้หนอบางทีแก้ไม่เป็นบอกผู้ปฏิบัติไม่ได้คนปฏิบัติเนี่ยก็ขอเจเริญนพรอว่า อย่าไปล่เบียเขามากให้จิตดึงตลอดเป็นไปไ ม, ม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าคุณไหนจิตออกสับสนนะดีแล้วดีแล้วเดี๋ยววิธีแก้แก้ทำยังไงจิตออกไปมากดีมากจำไหมเข้าใจไหมเนี่ยวิธีแก้ง่ายดีเดียวอาจารย์เป็นสีรู้ไหม แกยังไงนะบอกให้เลยเอาไม่เอาเอาสติตามไปเอาสติตามไปสนใจไหมเนี่ยถ้าไม่เอาสติตามไปไม่มีทางแก้ดัจะให้จิตนั่งไปสักร้อยวันหรือเดือนหนึ่งจิตไม่อยู่ที่หลอกจำอะ รูบาจารย์ทุกองโปรดจำกันด้วยจิตนั่งแล้วจะอยู่ที่ไม่ได้สังเกตให้ดีว่าบางคนนั่งครับโอ้ไม่ไหวอยากจะกลับจิตออกจังเลยออกทําไมเพราะเตอร์ลญ่คนไหนมันมีงานมากงานเยอะจิตมันจะออกมากคนไหนไม่ค่อยมีงานทําจิตไม่ค่อยออกทํำไง อย่ากลงไปข้ามเลยจิตออกมากคิดโนนคิดนี่บาบาข้อแตกไม่อยากจะนั่งกรรมาฐานอยากจะกลับบา้านถ้าแก้ไม่ถูกจูดมันต้องกลับโอ้ยแม่เอาเลี้ยแม่เอาแน่นอนนั่งไม่ได้เรื่องไม่เป็นสมาธิเลยต้องแกเดี๋ยวกำหนดเอาสติตามไปเนี่ยตามไปดูสิ ของหนอลูกหนอจิตคิดไปหาแฟนจิตคิดไปทำโรงงานจิตคิดไปนดนโน่นไปอย่างนี้บาบอเขาแต่ถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีจะรู้เลยพวกนางกรรมฐานจะรู้ถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องอกุศลทั้งนั้นถ้าเรามีสติครบวงจรจะคิดแต่เรื่องดีๆคิดออกมาด้วย ตรงนี้สำคัญมากนะไม่ใช่เรื่องเหลียวหลายไม่ใช่เรื่องเหลวหลายถ้าคนไหนฟุ้งซ่านมากมันเรื่องมันมากมันทำเรื่องมามากมาส ล, สลับซับซ้อนมันจะฟุ้งซ่านมากมาเนะแต่แล้ววิธีปฏิบัติทำอย่างไรให้เดินจง ก, กลมให้มากไวให้เดินจ ก, กลมให้มา เนี่ยโภกระเพทาต์ฟุ้งซ่านแต่ไม่ใช่หมายถึงเครียดหรือโรคประสาทคนเราเรื่องกันเนี่ยคยดิดจิตคิดจะไปอยู่ไม่ได้แล้วสมาธิไม่มีขาสติคนไหนเรื่องเยอะนะมันอาเทพมาว่าเยอะคนเอางานเอาการเนี่ยเป็นสมาธิยากคิดต้องหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเอาให้มากมีงานเลยกๆ ก, ก็อยากจะให้มีงานมากคนประเภทนี้จิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิแต่เราเป็นครูบาอาจารย์ต้องดึงไว้ได้อย่าให้กลับบ้างแต่คนที่จิตฟุ้งซ่านเน่ะไปคิดถึงงา น, นแกไขง่ายมายากจำไหมให้เขามีสติตามไปดูงานอะไร งานโรงงานพลาสติกเขาพุ่มใจคงเขาเขาก็พุ่งชาผัวผัวบอกว่าคิดหนอตามไปดูที่โรงงานตามไปเลยเอาสติตามก็จิตไปเอาสติบกบปไปเลยนะบปไปคิดหนอถ้าหากว่าอย่างนี้จำไว้หน่อย ถ้าหากว่าจิตมันออกออกไปคิดโน่นออกไปนครสวรรค์ออกไปเชีงยงใหม่ออกไปขอนแกน่นวุ่งว่าไปหมดแล้วก็หมดรู้หนอก็ไม่หายให้ชงกระแสจิตทางนี้หลับตาตามไปดูไอ้ที่มันคิดบ้าบอเขาแตกมีสติไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาเอง พอจิตกลับมาแล้วจะ ก, กําหมดคิดตรงนี้ต่อไปคิดตรงนี้เป็นอันดับสองคิดหนอคิดหน อ, อยังไงแถลธรรมนตรตีอ่ะไปหาเสียงหรือว่า น, มมนี่สมมติขอโทษไปนวนบปนมันก็ฟุ้งใส่นั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งกรรมฐ า, านเลยจิตออกไปเอาทติตามไปดูเลยสงก์กระแสจิตทั้งนี้ได้สงฆ้ไปว่าเราเนี่ย อดีตเมื่อวานเนี่ยไปพูดตรงที่นู้นมีปากมีเสียงกันเวลานั่งสมาธิจิตมันก็คิดเป็นโน้ตามคิดตรงนั้นส่งกระแสจิตตรงนี้ไปที่เราพูดเมื่อวานเป็นอดีตย้อย ก, กลับมารู้หนอกลับมาลู่หนอรู้หน อ, หนอเดี๋ยวไอ้ที่เราพูดเมื่อวานถูกผิดมันจะบอกต้องตามไปดูอย่างนี้ เนี่ยวิธีแก้ต้องเอาสติตามคนที่ปรุงชาออกมาย้ายย้ายย้ายกลับบ้านเขาบอกเขาอยู่ไม่นานเขาทำกรรมฐานไม่ได้เอ๊ะทำไมคนโน้นเขาทำได้เราทําไม่ได้คนที่ทําได้กลับไม่ได้คนที่ทําไม่ได้กลับได้พอกําหนดจิตได้มีสติเขาจะรู้อะไรแปลกๆแต่มีนิมิตขึ้นมาทันทีนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตที่แน่นอน มีสติควบคุมไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าจิตมันตกกังวลจิตตกกังวลคิดจะเรื่องเก่าจิตตกกังวลคิดถึงเรื่องเก่าให้กําหนดยังไงให้กําหนดที่ลิ้นปีกกดลงไปเรื่อยเให้ใจายาวเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เป็นครั้งอดีตมา ใช้กำหนดตรงนี้ถ้าลิ้ปีเนี่ยเดี๋ยวแง่ด่าฉันทีตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญบันทีเราไม่เข้าใจไงไปแก้กันไม่ได่าเขากลับบ้านเขาไม่มีศรัทธาเราคนเรานั่งเนี่ยมันไม่มีศรัทธามันไม่ได้ก็เข้าใจผิดนะเข้าใจว่านั่งแล้วก็จิตเป็นธรมาธิเลยไม่ใช่นั่งไม่ได้แล้วคนบางคนนี่นั่งไม่ได้ วดเมื่อยนั่งไม่ได้เลยจิตออกตะพฤฤืชจิตออกไปโน่นไปนี่เอง เ, ยเลยกลับบ้านต้องดึงตัวเข้าไว้ก่อนหล่อหลอมจิตใจเขาดีก่น่นปลูกศรัทธาก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขไปอย่าไปเร่งรัดเขามากเกินไปพอเขาตั้งใจนะพะสติเขาดีแหละมาโลดเลย เขาจะมีนีมิตรเครื่องหมายของเขาเองและเขาจะเกิดศรัทธาเองโดยปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้ น, นตรงนี้เรื่องสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลเรื่องบางทีเนี่ยเราเดินจงกลมคิดอีพาธะคิดต้องสามชั้นคิดข้างอดีตคิดมาเป็นเด็กคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วคือสมาธิดีก็เกิดคิดฟุ่งซาคิดมาตอนเป็นเด็ก เคยไปต่อยเขาเคยแพ้อะไรมามีมิตรกรรมมาแหละนมิตกรรมมาแล้ ว, รรมมลวให้กำหนดรู้ตะพึ้นรู้หนอเพราะอาดีตถ้าอาดีตแล้วก็ต้องกำหนดรู้หนออย่าไปโดกำหนดที่มันเป็นอดีตแล้วตั้งแต่เป็นเด็กกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอนี่ครั้งอดีตแลยวยกตัวอย่างธรมาเนี่ย